วกเราเยอะเยอะมากไปนะก็สอนไม่ไหวใครอยากส่งกันบ้านหรือต้องมาวันธรรมดาวันธรรมดายัางพอส่งกันบ้านได้วันอย่างนี้ลำบากเยอะเกินคนที่มาใหม่ๆฟังหลวงพ่อครั้งแรกไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไม่ไม่ใช่ว่าโง่ผิดปกตินะเป็นเรื่องปกติเลย บางคนจเนียสมาฉลาดมากมาฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆนี่ไม่รู้จะขับรถออกจา ก, กวัดทางไหนนะงงไปหมดเลยที่ฟังแล้วเข้าใจยากก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังเราเคยศึกษาธรรมะเราก็ได้ยินแต่คำสอนบอกว่าให้ทำอย่างนี้สิดีให้ทำอย่างนี้สิให้ทำโน่นให้ทำนี่ห้ามมันโน่นห้ามมันนี้แล้วจะชิน ถ้าหลงพ่อบอกว่าอ้าวต่อไปนี้ห้ามทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจงทต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะเมื่อร่จะรู้สึกเรียนง่ายแต่กรรมาฐานชนิดที่ไม่ทําอะไรของแล้วยากใจของเราเองเนี่ยมันปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลปรุงอหกุศลตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดการปรุงแต่งเลย งั้นจะให้มันทำงานอะไรสักอยาก่างให้มันปรุงแต่งเนี่ยมันยอมรับง่ายแต่จะให้มันรู้ทันความปรุงแต่งจนมันหมดความปรุงแต่งยากที่สุดเลยมันฝืนความรู้สึกหลายคนจะรู้สึกว่าก็ที่ผ่านมาปฏิบัติแทบเป็นแทบตายยังไม่ได้เลยรู้เฉยๆมันจะได้เหรองั้นน้อยคนนะที่จะใจถึง มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจตัวเองตามความเป็นจริงด้วยไม่ใช่ตามที่อยากให้เป็นส่วนมากเราจะรู้ด้วยความอยากให้เป็นเช่นอยากให้สุขอยากให้สงบอยากให้ดีรู้ด้วยความอยากสังเกตไม่มีความอยากขึ้นมาใจก็ดิ้นรนใจก็ดิ้นรนใจก็ทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนี้เองยิ่งอยากก็ยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์นะยิ่งทุกข์ยิ่งอยากอีกอยากให้หายทุกข์ก็ยิ่งดิ้นอีก เมื่เราจะวนเวียนจากการปรุงแต่งดิ่นรนไม่รู้จักเลิกว่าการจะตัดวงจรของความปรุงแต่งหรือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าละอวิชชาได้ตัณหาจะไม่เกิดอีกความอยากจะไม่เกิดกลับใดที่ยังละอวิชชาไม่ได้ยังไม่รู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าละอวิชชาไม่ได้ตัณหาจะเกิดอีกคือเราเห็นว่ากายในี้ใจนี้คือตัวเรา เราไม่เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์เป็นธาตุกายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมใจก็เป็นธาตุเรียกวิญญาณธาตุมโนธาตุนัแต่จะเรียกกันเราเห็นว่าเป็นเราพอเป็นเราเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบนี่พอความอยากเกิดขึ้นใจก็ดิ้นรนคนไม่ฉลาดก็ดิ้นรนหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจถ้าได้อยู่กับคนนี้แล้วจะดีมีความสุขนะ ถ้าได้กินอันนี้จะมีความสุขถ้าได้อยู่บ้านตรงนี้จะมีความสุขดิ้นหาความสุขไปเรื่อยหาแล้วมันก็ไม่อิ่มมันเนื้อไม่เต็มอย่างพอเราอยากได้อะไรเราดิ้นรนนะเหนื่อยแทบตายเลยพอได้มารู้สึกงั้นๆแหละเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกอดิ้นรนไปตามความอยากนะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มพระเจ้าถึง บ, บอกว่าแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มี ปัญหาเป็นห่วงน้ําที่ใหญ่ที่สุดทําไงก็ไม่เต็มมันจะเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆในพวกที่ตอบสนองความอยากตอบสนองอัตราตัวตนด้วยการแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเนี่ยไม่สามารถตอบสนองได้จริงไม่เต็มไม่อิ่มอีกพวกหนึ่งมาฝึกจิตฝึกใจมาฝึกกรรมสารมากําหนดกายมากําหนดใจกใจําหนดไปเรื่อยๆถามว่าลึกๆกําหนดเพื่ออะไรหวังว่าวันหนึ่งจะดีนั่นแหละ วันหนึ่งจะบรรลุมากุลนิพพานเราจะได้ดีเราจะได้มีความสุขลึกลงไปก็คือตอบสนองความเป็นตัวเราอีกนั่นแหละงั้นหลงโลกไปหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เรียกว่าโลกหลงโลกออกไปก็หวังว่ามีความสุขอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมาบังคับกายบังคับใจกําหนดกายกําหนดใจก็หวังว่าจะมีความสุขเื่อตอบสนองความเป็นตัวตนนั่นเองงั้นสุดตรงอย่างนี้ ติ้นรนอย่างนี้ไม่พ้นจริงหรอบางคนภาวนาพยายามกําหนดนะตามองเห็นกําหนดหูได้ยินเสียงกําหนดขลงไปหวังว่ากําหนดมากๆแล้วเวทนาจะไม่เกิดถ้าไม่มีเวทนาตัณหาจะได้ไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานพบชาติทุกจะได้ไม่มีนี่บางคนสอนกันอย่างนี้นะสอนให้ดับเวทนาลืมไปอย่างหนึง่งว่าเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิก ที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงไม่มีใครดับเวทนาได้ถ้าดับได้ก็ดับทุกขเวทนาได้ชั่วคราวดับสุขเวทนาได้ชั่วคราวแต่ละใจก็เฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนาพอมีอุเบกขาเวทนาโมหะเขาแทะพอมหะแทรกเข้ามาใจก็ฟุ้งซ่านหรือไม่ใจก็หดหูใจก็ปรุงแต่งองีกนั้นการจะตัดวงจรของภบของชาติเนี่ยไม่ได้ไปตัดที่เวทนา ตัดที่อวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจอริยสัจข้อแรกคือทุกข์ขันห้าคือทุกข์กายกับใจคือทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ในสติปัฏฐาน4ี่มันถึงเต็มไปด้วยคําว่ารู้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเอาเข้าจริงก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองเพระพระพุทธเจ้าสอนชัดๆเลยว่าอุปาทานขันทั้ง5ขันห้านี่เองคือตัวทุกข์ หน้าที่ตอบทุกคือการรู้แล้วบอกนี่คือทางสายเดียวด้วยนะสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวนอกจากการรู้ทุกข์แล้วไม่มีทางที่สองเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงพวกเราจะติ้นรนบางคนประกาศสัจจาเลยนะจะหาด้วยตนเองหาได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่วันนี้หรอกอีกกี่ภพกี่ชาติยังไม่แน่ขนาดฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกนะเดินตามอย่างยากเลยรู้สึกไหม เพราะมันฝืนความรู้สึกถ้าบอกให้เราเข้าไปจัดการกับจิตใจตัวเองบังคับให้นิ่งเลยนะแปบ๊บเดียวก็ทําเป็นไม่ยากแต่บอกให้รู้กายตามความเป็นจริงให้รู้ใจตามความเป็นจริงยากที่สุดเลยเพราะมันไม่อยากเห็นความจริงมันอยากได้แต่ของไม่จริงเราไม่ได้อยากเห็นความจริงของกายของใจเลยใครอยากเห็นไหมว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขนะ ใครอยากเห็นม่างกายกระจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจก็ไม่มีไม่มีใครอยากเห็นอย่างนี้ทุกคนปรารถนาแต่ว่าทําไงตัวตนของเราจะสุขถาวรจะดีถาวรจะสงบถาวรใครเคยอ่านเรื่องกา ร, รมนิทวาสิถีไหมเรื่องกา ร, รมนิทสมัยก่อนเรียกว่าเรื่องกา ร, รมนิทนะตอนหลังๆรู้สึกฟังแล้วไม่เพลอว่งกา ร, รมนิทเลยเปลี่ยนเป็นเรื่องวาสิทธิ กามนิทเที่ยวสแสวงหาธรรมะเที่ยวสแสวงหาธรรมะเพื่อว่าตัวเองจะได้มีความสุขถาวรเกรมนิทเที่ยวไปเรื่อยๆจนเจอพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าเทศเรื่องไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรเนี่ยกรมนิทรับไม่ได้นะรับไม่ได้เลยจนกระทั่งผ่านไปนานนะตายแล้วไปเกิดในสวรรค์สุดท้ายไปอยู่ในพรหมโลกก็สวรรค์ล่มลงไปสวรรค์ก็แตกดับ ไปเกิดในปรมโลกเจอกวาสิตรีวาสิตรีเลยแสดงภาพของพระพุทธเจ้าให้ดูวาสิตรีเคยบวชเป็นภิกษุณีที่บวชเป็นภิกษุณีเพื่อจะหนีออกจาก บ, บ้านจะไปตามหากรรมนิตนะั่นจะหนีสามีนั่นแหล ะ, ระกรรมนิทเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่วาสิตรีเนรมิตให้ดูก็จําได้ว่าคือพระเเก่แก่ที่เคยคุยกันในบ้านช่างปั้นหมอ น, นั่นเองแต่เดิมคิดว่าเ น, นี่ยคือสาวกปลายแถว ซึ่งไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงสอนอะไรที่ชี้ทางให้สุขถาวรได้นี่พระชรารูปนั้นกับใครสอนว่าถาวรไม่มีมีแต่ทุกข์ไม่มีสุขนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขนะ์เนี่ยสอนอย่างนี้อีกนี่พอการมานต์เห็นรูปนิมิตนี่แล้ววาสิทธิทีเนี่ยทุ่มเทพลังจงกันทั่งหมดพลังน้าตายไป กามันนี้รู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรเลยระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทบทวนตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนที่ถาวรแล้วบาสิธีก็นิพพานไปก่อนแล้วในสุดเลยปรงตกนะยอมรับความจริงว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกเพราะฉะั้นตัวตนไม่มีจะไปหาความสุขที่แท้จริงที่ไหนอปล่อยวางตัวตนเข้าถึงความสุขที่แท้จริง คนแต่งเก่งนะนแต่งนี้เก่งเราธรรมะมาเขียนเก่งพวกเราก็เหมือนกรรมนิดนะเราอยากมีความสุขสาวรนะภาวนาแล้วอยากได้อะไรที่มันดีๆเราจะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองตลอดนิรันดรสิ่งที่อยู่ตลอดนิรันดรมีแต่ทุกข์นะมีแต่ทุกข์เขียนหัดภาวนาตั้งอกตั้งใจนะฟังไป รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างปกติฟังหลวงพ่อนะสองสามครั้งถึงจะรู้เรื่องโดยเฉลี่ยสองสาครั้งจะรู้เรื่องยกเวน้นมีข้อยกเว้นเหมือนกันบางคนจิตใจศึกษาอบรมมามากแล้วฟังทีเดียวพิ้งเลยก็มีนะมีบางคนฟังประโยคเดียวเข้าใจเลยก็มีบางคนฟังหลายปีไม่เข้าใจก็มีเหมือนกันแต่น้อยที่ไม่เข้าใจเพราะคิดไม่เลิก ศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบไปเรื่อยอาจารย์โน้น <het> ว <at> ่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างโน้หลวงพ่อนั้นว่าอย่างนี้หลวงแม่ว่าอย่างงี้นะยาตติโกโหติกาเยกะฟังมัมากฟังแล้วก็เทียบไปเรื่อยเทียบเคียงไปเรื่อยคิดไปเรื่อยแทนที่จะรู้ลงในกายรู้ลงในใจก็เอาแต่คิดเอาคิดเอาทํายังไงจะดีทํำยังไงจะสุขคิดอย่างเดียวทําไงจะปฏิบัติถูกก็พระพุทธเจ้าบอกตรงๆแล้วให้รู้ให้รู้ให้รู้นะถ้าเกินจากรู้มันก็ไม่ถูกหรอก หายใจออกก็รู้รู้อะไรรู้ว่ากำลังหายใจอยู่แล้วก็รู้ว่าตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุนะกระเพิ่มเข้ากับเพิ่มออกหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้เรียกว่ารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้ว่าตัวที่หายใจเข้านี่ไม่ใช่ตัวเรารู้ว่ากำลังหายใจเข้าตัวที่กาลังหายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรารู้อย่างนี้ ยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้เพราะแบบเดียวกันมีสติรู้ร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนรู้ลงไปอย่าใจลอยแล้วท่านให้รู้ท่านไม่ได้ให้เพ่งนะอย่าไปเพ่งใส่ถ้าเพ่งร่างกายก็แข็งแข็งให้รู้ลงไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้มีสติรู้ใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นเกิดปัญญาเห็นเลย ตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งที่นอนนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่กําลังยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวขยับไปเยื่นไปเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มันกระเพิ่มเข้ากับเพิ่มออกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกดูลงไปอย่างนี้นะจะค่อยๆถอดถอนความรู้สึกเป็นตัวเราหรือใครอยากฝึกให้มันยากกว่า น, นี้ฝึกธาตุกรรมฐานเห็นไหมหลวงพ่อตามใจตลาดนะ อยากเรียนยากๆก็ได้นะเรียนกรรมฐานเรียนาธาตุกรรมฐานเรียนาธาตุกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ก่อนาธาตุดินน้ำไฟลมที่ประกอบเป็นกายของเราธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนี่ยรู้ด้วยกายาธาตุน้ำรู้ด้วยใจาธาตุพวกนี้เห็นหเริ่มยุ่งแล้วเห็นไหมหลวงพ่อบอกแล้วใครอยากทยา ก, ยากๆนะฟังต่อไปนี้ใครไม่อยากยากลืมๆซะพวนะกเราหลายประเภทบางคนอยากเรียนยากก็เอา ดินน้ำไฟลมเนี่ยต้องรู้ว่าธาตุอะไรรู้ด้วยอะไรธาตุดินรู้ด้วยกายธาตุไฟรู้ด้วยกายเราลองมาดูธาตุดินเอามือมาไหนขอมือหน่อยขอมือหน่อยอ่าไหแกงง่วงลองจับลงไปลองรูปลงไปรู้สึกไหมมันแข็งแข็งความรู้สึกที่ว่าแข็งแข็งเนี่ยเรียกว่าธาตุดินรู้สึกไหมไอ้ตัวที่แข็งเนี่ยมันไม่เคยบอกเราเลยว่ามันคือตัวเรารู้สึกไหม มันไม่ได้บอกหรือไหมนคนไหนมันพูดได้ไอ้ตัวนี้ยมันพูดได้ไหมมันบอกไหมว่ามันคือตัวเรานี่น้าเรียกว่ า, าธาตุกรรมฐานนะสังเกตไหมจับลงไปเราจับสัมผัสได้ความแข็งของมันนอกจากความแข็งเราสัมผัสาธาตุไฟได้ด้วยมือมันอุ่นเห็นไหมบางทีมือก็เย็นๆในาธาตุไฟน้อยปลายนิ้วธาตุไฟน้อยแถวนี้าธาตุไฟเยอะหน่อยาธาตุยังไม่เที่ยงเลยาธาตุไฟยังไม่คงที่แต่ละที่ไม่เท่ากัน สังเกตั้ยความร้อนนี่ไม่เคยบอกว่ามันคือตัวเราความแข็งก็ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเรานะลองรูปไปทั้งตัวนะรูปไปดูซิตรงไหนมันบอกว่ามันเป็นเรานะเมื่อยตรงไหนก็นวดตรงนั้นแหละนะให้มันเกิดประโยชน์ไปด้วยนะไม่มีตรงไหนเลยที่มันบอกว่าเป็นตัวเราดูลงไปอย่างนี้จนะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะทราบซึ้งถึงอกถึงใจนะ การเรียนธาตุกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ว่าธาตุอะไรรู้ด้วยอะไรธาตุลมดูยากธาตุลมดูยากเนี่ยเราขยับมือเนี่ยถ้าจิตเราทรงฌานจริงๆเนยขยับเราจะรู้เลยมันจะมีแรงผักดันแรงที่ดันให้ไหว น, นี่เรียกว่าธาตุลมนะไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมนะเห็นไม่ยากไม่ยากธ <c oughs> าตุน้ําคืออะไรธาตุน้ํารู้ด้วยใจ ธาตุน้ำคือแรงดึงดูดระหว่างอะตอมระหว่างโมเลกุลนี่เรียกว่าธาตุน้ำนะที่ทำให้สิ่งทั้งหลายรวมตัวเข้ามาอยู่ด้วยกันได้น้ำเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวกรสานให้ธาตุทั้งหลายนี่รวมตัวเข้าด้วยกันงั้นจะเรียนธาตุกรรมฐานนะเรียนยากนะคนที่จะเรียนธาตุกรรมฐานได้ดีต้องทำสมาธิมาเยอะๆหน่อยให้รู้ลงไปนะไม่มีเราไม่มีเรา มีครั้งหนึ่งหลวงพ่อขึ้นไปกราบหลวงปู่สินะตอนนั้นเรียนอยู่สถาบันจิตวิทยาก็คัดเลือกพวกว่าที่อธิบดีทั้งหลายไปเรียนหลวงพ่อนะ่ะเด็กเป็นที่สอบของรุ่นละมีเด็กกับหลวงพ่ออีกคนเดียวเพราะเราเรียนให้เราทํางานเราตัวเร็วต้อไปเรียนกับพวกใกล้กระเสียนนะก็พาการไปนะ้ไปดูงานที่เชียงใหม่พาขึ้นไปกราบหลวงปู่สินที่ถ้าป่าปล่อง ไปถึงหลวงปู่ก็พานั่งขัดสมาธิเพชรใครรู้จักไหมขัดสมาธิเพชรใครนั่งได้ต้องใจเพชรจริงๆนะก็นั่งนั่งแล้วก็แกะขาออกไม่ค่อยได้ละมันจะสามัคคีกันอยู่อย่างนั้นเลยนั่งเข้าไปนัปวดสุดๆเลยคนที่ไม่เคยนั่งนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างนี้พระพุทธรูปคนนี้เรียกขัดสมาธิราบราบซอนกันเฉยๆถ้วขัดเพชรจะไปกันอย่างนี้ไป ท่านพาขัดเกล็ท่านบอกต้องใจเด็ดนะภาวนาเสร็จแล้วท่านก็เทศเทศเทศไปชั่วโมงพวกโยมที่ไปด้วยกันนะค่อยๆถอดหนีไปทีละคนสองคนนะสุดท้ายเหลือหลวงพ่อกับพี่คนนึงผู้ชายอายุมากแล้วพอท่านเทศได้ชั่วโมงกว่าๆอ้าววันนี้พอแล้ววันนี้พอแล้วท่านก็ถามเป็นไงนั่งขัดเก็เมื่อยไหม พี่ผู้ชายน่ะรีบตอบเลยเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยมากเลยครับเนี่ยถ้าไม่เคารพหลวงปู่ไม่นั่งหรอกหลวงปู่ก็ถามขามันบอกไหมว่ามันเมื่อยเนี่แทนที่จะดูว่าว่าทาตไม่เคยบ่นว่าเมื่อยนะเพราะทาตเป็นทาตเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันไม่บอกว่ามันเป็นเรานะ ม, มันก็ไม่เคยบ่นว่ามันเมื่อยด้วยหลวงปู่ถามว่านายขามันบอกว่ามเมื่อยหรอ เมื่อจริงๆหลวงปู่ผมไม่โกหกหรอกนะโน่นต่อไปโน่นเลยหลวงปู่เลยยิ้มหวานเลยนะรู้สึกเออได้แค่นี้ได้แค่นี้เนี่ยธาตุกรรมฐานนะดูยากดูยากดูความเป็นธาตุของมันเราจะรู้สึกแต่ตลอดเวลาว่ามันคือตัวเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นก้อนธาตุต่รู้สึกหวงแหนรักมากเป็นตัวเรามากอะไรมาเกี่ยวมันนิดนึงนะกลุ่ม อ, อกกลุ้มใจแหละเดือดร้อน ตีนกาขึ้นก็กลุ้มใจใช่ไหมตู่ขึ้นบางยังขึ้นครั้งแรกรอยแรกรู้สึกไง <c oughs> รอยแรกนะรู้สึกทรมานใจมากใช่ไหมรอยที่สองก็ยังทรมานใจมากพอรอยที่ยี่สนี่เฉยๆนะรู้สึกว่ารั้งไม่อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราดูลงมาเห็นกายมันเป็นแค่ก้อนลาด เห็นกายมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์นะอย่างรู้อิริยาบถสี่จะเห็นว่ากายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นนั่งอยู่ก็ทุกข์ต้องพลิกไปพลิกมายืนอยู่ก็ทุกข์ต้องพลิกไปพลิกมานะเดินอยู่ก็ทุกข์นะเดินนานๆก็เมื่อยนอนอยู่ยังเมื่อยเลยนอนอยู่ก็ทุกข์ต้องนอนพลิกไปพลิกมางั้นมันลำบากตลอดเวลาเนี่ยถ้ารู้ลงมาในกายเห็นอริยาบถสีเห็นมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเห็นไหมเราจะต้องค่อยๆถอดถอนออกไปนะความเห็นผิด ว่ากายนี้เป็นเที่ยงเป็นของเที่ยงมันไม่เที่ยงหรอกมันทนอยู่ไม่ได้มันมีความทุกบีบคั้นมันไม่ใช่ตัวสุขมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุ น, นี่ใครจะ ท, ทาําธาตุกรรมฐานหรือจะดูกายก็ต้องดูลงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปดูกายแล้วได้เพ่งอยู่ที่กายนะเดินจงกรมไปก็เพ่งให้จิตนิ่งอยู่ที่เท้าแล้วก็นิ่งเดินไปเรื่อยๆนั่นได้แต่สมถะเกือบทั้งหมดที่ปฏิบัติคือสมถะนะเกือบทุกคนที่ทําอยู่ งั้นไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรทําตั้งนานไม่ละกิเลสนะละไม่ได้เพราไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆเป็นวิปัสสนาแต่ชื่อไปที่ไหนก็บอกทําวิปัสสนาวิปัสสนาความจริงทําไม่ใช่หรอกอย่างเดินจงกรมไปเรื่อยรู้สึกตัวเบาวิวขึ้นมานะรู้สึกลอยเหมือนเท้าจะไม่ติดพื้นบางคนลอยจริงๆนะลอยจริงๆนั่นเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลย ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาคือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วรู้สึกผนลุกสู้ทราบได้วิปัสสนาญาณไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยอย่างสิ่งที่พวกเราทำมันไม่ค่อยขึ้นวิปัสนามันไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นี่คนไหนไม่ชอบดูกายก็ดูจิตเอาใช้ได้เหมือนการดูจิตเบื้องต้นก็หัดสังเกตไปจิตใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกัน บางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาแห้งแรงเราดูไปแต่ละวันใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยพอเราสังเกตได้เออแต่ละวันไม่เหมือนกันจริงจรอไปใจเย็นๆนะค่อยๆเพิ่มค่อ ย, อยๆพัฒนาการสังเกตขึ้นไปสังเกตในวันเดียวกันเนะี่ยเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเรายังไม่เหมือนกันนะื่อทีตื่นเช้าขึ้นสดใสใช่ไหมในเวลาออกจากบ้านรถติดมุดหญิดละ พอถึงที่ทํางานลูกค้ามารออุ้ยสลอนเลยจะมาสั่งซื้อของเรานะปลื้มแล้วนะปื้มเจรจาธุรกิจมันไม่ตกลงสักลายเลยโมโหแล้วจิตใจเราจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาให้เราคอยตามรูปใจิตใจที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปอเงี้ ย, ยดูไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นคัามจิงว่าใจิตใจเราไม่เที่ยงนะใจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใจิตใจเราทนอยู่ในภาวะอันแด น, นหนึ่งไม่ได้ สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลหรืออกุศลก็เกิดขึ้นชั่วคราวอย่างโกรธใช่ไหมใครโกรธนานที่สุดถึงหนึ่งวันเคยมีไหมในห้องนี้มีใครโกรธ ถ, ถึงวันหนึ่งไหมเคยไหมเข้าใจผิดแล้วจริงๆก็โกรธตีละขณะโตีละขณะมา ค, คิดใหม่โกรธใหม่ไม่มีหดอกโกรธเป็นวันๆและจิตเกิดดับด เ, เร็วมากเลย แล้วจิตใจเนี่ยถ้าเราตามรู้ตามดูไปจะเห็นมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองเดี๋ยวมันสุขมันก็สุขของมันเองนะมันทุกข์มันก็ทุกข์ได้เองมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็เป็นของมันได้เองอย่างเราไม่ได้คิดจะโกรธเลยอยู่ๆมันโกรธขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจโกรธเลยนะตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่โกรธเห็นคนนี้มันมาแต่ไกลรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมากวนโทสะเราเราตั้งใจวันนี้จะไม่โกรธพอฟังเขาพูดแป๊บเดียวโกรธไปแล้วใจมันจะโกรธห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าฝึกสมถ้้าได พอเห็นหน้ามาแต่ไกลเดี๋ยวจะโกรดแล้วรีบจเจริญเมตตาไว้ก่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดไปที่ชอบที่ชอบเถิดอย่างนี้นะออย่างนี้ยังไม่เมตตาจริงถ้าเป็นสุขเป็นสุขเถิดหายใจเราเย็นรู้สึกมีความเป็นมิตรเกิดขึ้นมีความเป็นมิตรเกิดขึ้นเขามายั่วโทสะนิดๆหน่อยๆไม่โกรธเดียถ้าฝึกดูจิตดูใจนะ่จะเห็นแล้เราบังคับมันไม่ได้จริงหรือจิตจะวิ่งไปที่ตาจิตจะวิ่งไปที่หูจิตจะวิ่งไปที่ใจเลือกไม่ได้ นั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดบางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อบางครั้งก็ตั้งใจฟังฟังนิดหนึ่งก็สลับไปคิดฟังไปคิดไปดูออกไหมจิตเดี๋ยวก็ฟังจิตเดี๋ยวก็คิดจิตเดี๋ยวก็ดูคนเราเวลากันเนี่ยขณะนี้หนีไปคิดแล้วจิตไปคิดเนี่ยจิตไปคิดเราจะเห็นเลยถ้าเราตามรู้ตามดูมากๆว่าเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรา นี่ดูลงไปอย่างนี้นะในที่สุดก็เห็นทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่เรารู้กายก็ได้รู้กายเมื่อไร่สติรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่เราเมื่อไร่สติรู้จิตรู้ใจนะรู้เวทนาคือความสุขความทุกข์รู้รู้กุศลอกุศลที่เป็นตัวสังขารหรือรู้ตัวจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆละไปค่อยๆรู้มันก็ค่อยละความเห็นผิดไปทีละน้อย เมื่อไรมีสติรู้กายรู้ใจก็ค่อยๆละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะเมื่อไรขาดสติก็รู้สึกว่ากายกับใจเป็นตัวเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าการละนี่ยังละด้วยการมีสติไม่ใช่ตัวอริยมรรตต้องตามรู้ตามดูมากนะจนอริยมรรตเกิด อ, อริยมรรตเกิดแล้วต่อไปเป็นทรโสดาบันถึงขาดสติแนะดูลงมาทีไรไม่เคยเห็นตัวเราเลยนะแต่ความรักในกายในใจยังมีอย่างบริบูรณ์นะ ความยึดถือในกายในใจ ย, ยังมีอยู่เพียงแต่ละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราได้รู้แล้วไม่ใช่เราแต่ว่ายังหวงแหนยังยึดถืออยู่อย่างพระโสดาบันเนี่ยจะรู้สึกเลยทั้งกายทั้งใจนี่เป็นของยืมโลกมาใช้อย่างร่างกายก็ยืมวัตถุธาตุขโลกมาใช้จิตใจก็เป็นแค่นามมาทําอันนึงเกิดดับเกิดดับไปเป็นธาตุชนิดหนึ่งจะรู้สึกว่าเป็นยืมของเข้ามาใช้แต่เป็นคนที่ยืมแล้วขี้งกนะหวงไม่คืหนหรอก ไม่เกินเจ้าของรู้สึกว่ากายกระใจนี้เป็นของดีของวิเศษกายกระใจนี้เป็นเครื่องมือทําให้เราได้รับอารมณ์ที่ดีได้รูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสได้ธรรมารมณ์ที่ดีนั้นเราจะรักกายรักใจมากเลยแต่วันใดที่สติปัญญากแก่รอบขึ้นมากายนี้ทุกนะทุกถูกความทุกข์บีบพันตลอดเวลาจิตใจก็มีแต่ความทุกข์นะหรือมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้เห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะมันเอื่อมระอา มันหมดความรักในกายในใจได้ก็ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจความพลุกพลุกที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ลองดูนะลองดูไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อแต่ให้ลองดูศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่อ้อนวอนให้เชื่อแต่เป็นศาสนาที่ท้าให้ลองดูมีบทสวดมนต์อยู่อันหนึ่งบอกว่า A G อเอฮิปัสโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูนะมาลองดู ไอตัวนี้ถ้าจะหยาบฟังเทศดูไปนะลองดูเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆนะมีแม่ชีคนหนึ่งมาแม่ชีนี้ไปฝึกกรรมฐานมาจากสำนักหนึ่งนะเป็นเครียดแข็งปึ๊กมาเลยนะไม่ว่าหลวงพ่อจะอธิบายยังไงนะแม่ชีเถียงทุกเรื่องเลยเถียงได้ทุกเรื่องนะอ้างคำพีด้วยนะอ้างกลับหัวกลับหางก็ยังอุตสาหอ้านงะ ในสุดหลงพ่อบอก่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวสอนยากหลวงพ่อเลยบอกอาหลวงพ่อขอเวลาเดือนเดียวลองมาหัดดูกายดูใจมารู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นดูนะอย่ากาหนดนะขอเวลาเดือนเดียวมาแม่ชีมาครั้งแรกวันเสาร์ใช่ไมมาอีกทีวันเลยวันจันทร์ใช่ไหม วันจันทร์มานะแม่ชีรับคําท้าของหลวงพ่อบอกขอเวลาเดือนหนึ่งนะหยุดของเก่าไปลืมของเก่าอย่าเอาของเก่ามาปนกับที่หลวงพ่อสอนแล้วให้คอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแค่หายไปสามวั น, นมาวันเสาร์หายไปวันอาทิตย์วันจันทร์มามานั่งตรงนี้เลยจิตใจไม่เหมือนเดิมแล้วจิตใจเบาสติเกิดเร็วเห็นสภาวะธรรมเกิดดับตลอดเวลาเลยไม่ใช่นิ่งๆทื่อๆเหมือนที่เคยเป็นแล้ว ลองดูนะใจถึงถึงขอเวลานิดเดียวขอเวลาลองดูถ้าทำถูกใช้เวลาไม่นานอย่าไมนะถ้าทำกันแลมปีก็ยังเหมือนเดิมกิเลสเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมไม่ใช่หรอกศรัทธาน่ะดีแล้วแต่อย่าาปัญญายัดใส่กระเป๋าเข้าตู้ไปต้องพิสูจน์นะลองพิสูจน์ดูลองตามรู้กายตามรู้ใจอย่าไปเพ่งมัน เน่ยๆอย่างนี้ลงไปไม่ได้นะทีแรกเพ่งแล้วก็หลุดเผลอไปเราไม่เพ่งเราไม่เผลอเรารู้อย่างที่เขาเป็นลองรู้ไปบางคนรู้วอาทิตย์หนึ่งโอ้เข้าใจบางคนเดือนหนึ่งเข้าใจม่นไม่ได้ยากมันยากเพราะว่าความคิดของเราเองปิดกั้นเราไว้เราชอบไปคิดว่ามันยากคิดว่าธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งใส่เครื่องหมายคําพูด ธรรมะคืออะไรอย่างหนึง่งซ้ำติงลึกลับอยู่ไกลๆต้องค้นคว้ากันอีกนานกว่าจะเจอเนี่ยล้วนแต่ความคิดที่ล้างผลาญตัวเองทั้งสิ้นเลยธรรมะเป็นของง่ายๆอยู่ต่อหน้าต่อตาคืออยู่ที่กายที่ใจของเราเองนี่เองไม่ใช่ไปหาที่อื่นรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจเนี่ยธรรมะอยู่ตรงนี้เอกายนี้เป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมจิตใจเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรม เรียนลงมาในกายเรียนลงมาในใจเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจของรูปธรรมและนำ ม, มาทำทั้งหลายล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่บังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้ต ะ, ะหากถึงจุดหนึ่งเห็นแล้วไม่มีเราไม่มีตัวเราถ้ามันไม่มีเราแล้วความทุกข์มันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมันจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของมันใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของเราเพราะมันไม่มีเราหลวงพ่อนะภาวนาตั้งแต่เจ็ดขวบ ทำสมถะลูกเดียวเลยก็ขึ้นมีปั ส, สนาไม่เป็นฝึกอน า, านาปนาสติหายใจออกหายใจเข้าตอนเด็กๆหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้ า, าใจแข็งปึ๊กเลยแต่ตอนแรกเล็ ก, กๆจริงๆอะ่ะตอนหัดทีแรกอะ่ะหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้จงใจจิตสงบรวดเร็วมากเลยนะออกไปเล่นอะไรต่ออะไรได้พอมันจำว่าทำอย่างนี้แล้วดีนะพอถัดจากนั้นพอลงมือปฏิบัตินะเมื่อไหร่จะดี อึดอัดแต่มาจับหลักได้หายใจออกสิใครดูเป็นจะรู้เลยนะหายใจจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจมีปีติมีอะไรขึ้นฉับพลันเลยพอหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้านะใจสงบต่มาไปได้ฟังธรรมของหลวงปู่ดูลงสอนให้ดูจิตตัวเองสนใจสนใจเรียนรู้ดูจิตดูใจทั้งวันเลย ใจนี่ทําไงนาะมันจะบังคับมันได้ทําไงมันจะดีทําไงมันจะสุกนี่ที่เอามาสอนพวกเราว่าผิดผิดหลวงพ่อผิดมาแล้วผิดมาแล้วเสียเวลาทั้งสามเดือนเนี่ยตรงนี้ยไปไล่ฟัดกับมันเพื่อเจะให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบตามรู้ตามดูแล้วแทรกแซงตามรู้ตามดูแล้วแทรกแซงฝึกอยู่สามเดือนกับไปรายงานหลวงปู่นี่ผมถ้าพูดภาษาปัจจุบันผมแทรกแซงเก่งแล้วนะ ตลวงปู่บอกไปกลับไปไปดูอะไรที่ทําอยู่ไม่ถูกต้องครูบาอาจารย์แต่ความไม่สอนเยอะนะสอนนิดเดียวโอ้เราต้องคลําคําพูดท่านแต่ละคำนะั้นต้องเอามาคลําแล้วคลําอีกลองแล้วลองอีกใช่ไม่ใช่นะลองจนมั่นใจแล้วก็ไปหาท่านอีกทีไปสอบเข้ห้องสอบงันต้องคอยรู้เอามันไม่ได้ยากแำหบที่คิดหรอกธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เอง เราอยู่กับธรรมะมาตั้งแต่เกิดแต่ใจเราไม่ยอมรับธรรมะใจเราไม่ยอมรับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราเราอยากได้สิ่งซึ่งไม่ใช่ความจริงอยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากบังคับให้ได้เพืาะนั้นภาวนาแทบเป็นแทบตายธรรมะก็ไม่เข้ามาสู่ใจของเราเพราะใจของเราปฏิเสธธรรมะไม่มีใครปฏิเสธธรรมะนะเราปฏิเสธเองนะจิตใจของเราเนี่ยถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนะมันมีแนวโน้ม ที่จะเข้าถึงธรรมโดยตัวของมันได้นะถ้าเราไม่ไปแทรกแซงมันมีแนวโน้มที่จะดีในแง่ของสมถะเนี่ยตัวจิตนะันเป็นประพัดสอนอยู่แล้วผ่องใสแต่มันถูกกิเลสมอมเมาจิตใจก็เลยไม่สงบไม่สบายนี่ในแง่สมถะนะในแง่วิปัสสนาเนี่ยถ้าเราตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆนะจะเห็นความจริงของเขาเราก็เข้าถึงธรรมะไม่ได้มีอะไรยากเลยเราชอบทำเกิน มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ริมแม่น้ำคงคาแต่ในพระใจพิดกไม่ได้บอกว่าอยู่ตำบลใดนะเส้นรุงเส้นแวนเท่าไหร่ไม่ได้มีนะไม่มี Google Earth ไว้ดูทขาไม่รู้ไม่รู้สังกัดไม่รู้ที่ตั้งลิมิต ท, ที่แท้จริงท่านอยู่ริมแม่น้ำคงคากับพระกลุ่มใหญ่แล้วท่านก็ชี้ให้พระดูท่อนไม้ลอยน้ำ ชีดอกหน้าพิกสูทั้งหลายในท่อนไม้นี้ลอยอยู่ในแม่น้ำคงคาถ้าท่อนไม้นี้ไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่ไปเกยตื้นเกยตื้นอยู่ตามเกาะตามแก่งอะไรเงี้ยไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่ไปเกยตื้นไม่ถูกคนหรืออามนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำวนดูดจมลงไปหรือวนอยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้ไม่ผูกพังเน่าซะก่อน ท่อนไม้นี้ก็จะลอยไปสู่มหาสมุทรจิตของเรานี้เหมือนกันมีแนวโน้มที่จะไปสู่มหาสมุทรคือมรรคนิพพานถ้าไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่ไปเกยตื้นไม่ถูกมนุษย์และอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกน้ําวนดูดไว้ไม่เน่าในซะก่อนถ้าจิตของเรามีคุณสมบัติอย่างนี้นะการจะบรรลุมรรคนิพพานมันจะเป็นไปเองมันจะเป็นไปเอง มันมีแนวโน้มโน้มน้อมไปสู่มรรคนนิพพานโดยตัวของมันเองงั้นคนที่สกัดกั้นมันไว้ส่วนมากก็คือตัวเราเองนี่เองคาว่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็คือการที่จิตของเราไปหลงติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่ๆบางคนยึดในความดีเกลียดความชั่วรุนแรงนี่ติดนะบางคนยึดชั่วเกลียดดีก็ติดอีกนะบางคนยึดสุขเกลียดทุกข์ก็ติดอีกติด ผู้ที่สําคัญมากเลยก็คือติดในการเผลอไปกับติดในการเพ่งไว้ติดในการสุขคันลิกานุโยกคือจิตใจหลงตามกิเลสไปเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็เพ่งเอาไว้นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดคือเพ่งอยู่นะเพราะงั้นติดฝั่งอยู่นะไปไหนไม่ได้หรอกนักเพ่งทั้งหลายก็ติดอยู่บนฝั่งข้างหนึ่งนั่นเองท่านไม่ได้บอกนะว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาท่าแค่ว่ามันมีสองฝั่งแล้วติดฝั่ง คือติดในธรรมที่มันเป็นคู่คนะู่เกยตื้นเกยตื้นคือไปติดอยู่ในพบอะไรอย่างหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาหลายคนภาวนาจนจิตว่างโล่งสว่างสบายนะแล้วก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ในพบันนะนี่เกยตื้นแนละ้วหมายถึงชาตินี้ไม่ไปไหนละบางคนดูจิต ด, ดูใจนะจิตใจว่างสว่างอยู่ข้างหน้าอยนะ่างเงี้ยที่หลวงพ่อพูดเรื่อว่าจิตไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานนะคือจิตไปสร้างพบอันหนึ่งอยู่ข้างนอก จิตก็ไปกอกนิ่งๆอยู่ในภพนั้นนี่เกิดตื้นแล้วเดินปัญญาต่อไปไม่ได้ถูกมนุษย์จับไว้ก็คือติดหมู่คณะติดพักติดพวกนะไปไหนก็เตงกันไปกลุล่มเบ้อเลยเมื่อก่อนอยู่วัดป่านะจะมีรถทัวร์เข้าไปกันเยอะพอรถทัวร์เข้ามาคนในวัดจะคุยกันแล้วโอ้พวกอารหันทัวร์มาอีกแล้วนี่พวกอารหันทัวร์เขาชอบไปหาข่าวลือว่าวัดไหนมีพระอรหันนะจัดทัวร์ไป อรหันหนึ่งวัดสองวัดสามวัดเนี่ยวันนี้ไหวอรหันเจ็ดวัดแล้วชาตินี้ไม่ตกนรกแล้วเนี่ยติดหมู่ติดคณะนะบางคนก็ห่วงคนอื่นห่วงคนอื่นไม่ห่วงตัวเองห่วงหมู่คณะห่วงคักพวกเห็นพวกพวกติดกรรมาฐานพยายามไปแก้ตัวเองเลยติดด้วยอย่างนี้ก็มีนะถูกอามนุษย์จับไว้อะไรคืออมนุษย์ชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลาย ภาวนาไปแล้วดังเป็นอาจารย์ใหญ่ดังขี่หลังเสือลงไม่ได้แล้วในชาตินี้ก็อยู่บนหลังเสือตลอดไปมีนะไม่ใช่ไม่มีถูกน้ํำวนคืออะไรน้ํำวนคือกามนะน้ํามวนคือกามถ้าภาวนาดูจิตดูใจเป็นจะเห็นจิตขอเราจะหมุนอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดเวลาหมุนติ้วติ้ต้ตตเลยนะคือเดียเด๋ยวก็วิ่งหาอารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็วิ่งหาอารมณ์ทางหูเดี๋ยววิ่งหาอารมณ์ทางจมูกไปดมกลิ่น เดี๋ยวก็วิ่งหารถที่เพลิดเพลินหาสัมผัสที่ถูกอกถูกใจจิตจะหมุนติ้วติ้วติ้วติว้หารมณ์อยู่นี่ไปไหนไม่รอดหรอกจ ต, ติดอยู่ในกามคือถูกน้ำบ่นไหมไจิตเน่าในคือพวกไม่มีศีลทำต่อ ก, กรรมทําชั่วบางคนดูถูกศีล น, นะเจริญปัญญาได้แล้วไม่ต้องถือศีลเข้าใจผิดไม่ถือศีลไม่ได้ถ้าเราไม่ถือศีลนะปัญญาของเราจะเป็นปัญญาของมหาโจร งั้นเราต้องมีศีลถ้าเราทูศีลเมื่อไหร่นะถ้าเน่าอยู่ข้างในเปลือกนอกดูสวยงามแต่เน่าอยู่ข้างในนี่บรรลุมรคผลไม่ได้เั้นพวกเรานะสํารวจตัวเองเราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาไหมเราไปเกยตื้นคือเราไปติดอยู่ในภพใจภพหนึ่งที่เราสร้างขึ้นเองหรือเปล่าเรากรัวพันในหมู่คณะปล่อยวางไม่ได้จะหอบกระเตงกระเตงกันไปหรือเราติดในชื่อเสียง บางคนไปพูดธรรมะแล้วสนุกนะนี่ได้แสดงธรรมะแลักสนุกเพลิดเพลิน ม, มีความสุขติดอยู่ในความสุขนี่ถูกอมนุษย์จับไว้หรือใจของเราวันๆหมกมุ่นในกามไหมหมกมุ่นอยู่ในกามไปไม่รอดหรอกใจของเรามีศีลมีธรรมไหมสำรวจนะลองไปสำรวจตัวเองเป็นการบ้านเป็นการบ้านถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยให้รู้กายไปสบายๆรู้จิตใจไปอย่างสบายๆ ถึงวันหนึ่งท่อนไม้นี้จะลอยไปถึงแม่น้ําถึงมหาสมุทรนะออกจากแม่น้ํำปุงขาถึงมหาสมุทรใจเราก็จะออกจากที่คับแคบไปสู่ที่กว้างไร้ขอบไร้เขตจิตใจของเราแต่ละคนอยู่ในที่ขังนะมีกรอบมีขังมีจุดมีดวงมีกรอบขังอยู่แคบแคบถ้าภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งจะเห็นใจเราอยู่ในแคปซูลกรอกอย่างคุณนาใจเมันมีเปลือกปุ่มอยู่ ใจไม่มีอิสระวันไดที่เราออกสู่ทะเลได้คือเข้าถึงธรรมแท้ๆนะใจจะโล่งว่างเลยนะว่างขวางไร้ขอบไร้เขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งเพราะฉะนั้นใจไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนที่เคยเป็นใจอยู่ในที่ทุกสถานเลยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างเวลาพวกเราภาวนาเรามีปัญหาติดขัดหรือเกิดอะไรขึ้นนะเราเรารึกถึงพระพุทธเจ้านะ เราจะสัมผัสท่านได้ทันทีเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อินเดียคุณธรรมของท่านนี่ยังครอบโลกเต็มโลกอยู่อย่างนี้ ใ, นใจเรานึกถึงขึ้นมาจิตใจเราก็สงบตั้งมั่นมีความสุขขึ้นมาฉับลันเลยนะหรือบางครั้งภาวนาติดขัดไม่รู้จะทำยังไงดีครูบาอาจารย์ก็อยู่ไกลเราไหว้พระสวดมวนต์เราตามรู้ตามดูของเราไปบางทีธรรมะจะถ่ายทอดออกจากใจของเราเอง หรือบางคนมีภาพประกอบบางคนมีเสียงได้ยินเสียงหลวงพ่อไปบอกบ้างหลวงพ่อเดินไปบอกบ้างเห็นพระพุทธเจ้าไปบอกบ้างเลยคิดว่าพระพุทธเจ้ามาจริงๆนะจริงจิตนั่นเองมันถ่ายทอดธรรมะออกมาแต่จิตใจโน้มเอียงที่จะอยู่กับธรรมะเวลาติดขัดขึ้นมาจิตจะสอนธรรมะได้เป็นเรื่องแปลกนะค่อยๆดูท้าให้พิสูนนะไม่ใช่ชวนให้เชื่อลองภาวนาดู เอาซีดีเอาหนังสือลวงพ่อไปไปฟังไปอ่านแจกให้ฟรีนะไปฟังไปอ่านแล้วค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกมีอยู่แผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวเคยมีผู้หญิงคนนึ่งสมัยน้นไม่มีซีดีแกเอเทปมาร์ทเองนะมีอยู่ม้วนเดียวแกฟังแล้วเทปยืดเลยแกก็ตื่นขึ้นมาเลยนะมีอยู่ม้วนเดียวนะั่นนะ่ะเดี๋ยวนี้สบายนะซีดีมันไม่ยืด ฟังไปเรื่ อ, ๆอยๆจนเครื่องพังฟังไปฟังไปถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะตื่นขึ้นมาพอจิตตื่นขึ้นมาเรามีสติขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเองจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเองไม่ใช่จงใจรู้สึกรู้สึกเองจิตตั้งมั่นขึ้นมามีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อรู้สภาวะทั้งหลายอย่างซื่อตรง จิตใจยังมีคุณภาพอย่างที่ว่านี่ภาษาแขกก็มีเรื่องละหูตามุทุตากรรมัญญาตาปากุณตาอุชุกตาฟังยากภาษาไทยก็คือจิตใจของเราเนี่ยมันจะเบามันจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแทงรู้ซื่อรู้ตรงจะจิตใจชนิดนี้เป็นจิตใจที่พร้อมที่จะเกิดปัญญา ถ้าจิตใจหนักหนั ก, นกแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซมทื่อๆไม่เกิดปัญญาหรอกเกิดแต่ความทุกข์ทรมานงั้นภาวนาแล้วแข็งแข็งแล้วก็ทำผิดนะทำกิจจบแล้ววันนี้เอา้ามีเวลาเล็กน้อยใครจะคุยกับหลวงพอ่อคนนี้มาทุกวันเลยทไมคุยทุกวันเอ้าไมโครโฟนส่งหน่อยไมโครโฟนภาวนาดีนะภาวนาใช้ได้แล้วใจตื่นแล้ว เท่านี้มันมีโมหะสลับกับชีวิตทีตวว่ว่างๆอะค่ะเออว่างๆก็อย่าไปเอามันไว้มีโมหะให้รู้ทันใจตอนเนี้ข่มตัวเองให้แข็งๆทราบไหมไปกดมันไว้ไไกวดมันนิ่งๆให้รู้ทันนะไม่ไปกดมันแล้วมันมีความอึดอัดนั่นแหละที่อึดอัดแล้วพอไปกดเอาไว้ไปจงใจปฏิบัติถึงได้อึดอัดขึ้นมา อ้าวคนต่อไปอสองคนที่ยกไปพอๆกันเบอร์สิบสองกนุชลัตไปเป็นสสได้ตรงเนี้ยยกมือไว้ยกไว้ก่อนนะยังไม่มีเนื้อหาจะพูดเลยยกแล้อารมณ์ผบไปครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอ้าว่าไปดูว่ามันคิดกับไม่คิดอะคะ่ะอะไรนะดูไปว่ามันคิดหรือไม่คิดอะคะ่ะมันก็เลยเห็นเลยค่ะว่า มันเป็นความคิดทั้งวันเลยอะค่ะมันคิดทั้งวันจิตนะหลวงไปคิดทั้งวันการที่จิตตรึกเรียกว่าวิตกจิตมันตรึกมันคิดมันนึกขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันจิตที่คิดที่นึกนัเราจะไม่ตื่นเนี่ยนะเนี่ยครูบาปขององ์สุดท้ายหน้าขาวๆล้วนอะไปเจอพระไตรปิฎกบอกว่าอะไรนะมีอะไรบ้างนะปองเวทนาสัญญาวิตกเนะ อีสามอันความจริงเวทนาการสัญญาเนี่มันทำให้เกิดวิตกคือการที่จิตมันตรึกขึ้นมาหนึ่งถ้ารู้ทันเวทนารู้ทันสัญญานะมันก็ไม่วิตกถ้าเกิดวิตกแล้วรู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาอีกนั้นการที่เราจิตรู้ทันความวิตกหรือการตรึกนะั้นจิตก็จะตื่นขึ้นมาแล้วถ้าช่วงที่ความคิดหายไปอ่ะค่ะใ ห, หายนิดเดียวเดี๋ยวก็คิดอีกค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกไม่คิด เราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินจิตมันคิดรู้ว่ามันคิดมันคิดของมันเองเราไม่ได้คิดตัวอย่างนี้นะพอมันคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็รู้ทันเราเลือกไม่ได้จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราเลือกไม่ได้นี่ดูเพื่อให้เห็นความจริงพวกนี้บางครั้งสติที่มันเกิดมาจากอกุศลเยอะๆอย่างนี้ได้อกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้นี่ถามนี่เรียนอภิธรรม แล้กุศลเป็นปัจจัยของอ ก, กุศลก็ได้นะเป็นได้จิตใจนั้นเป็นของพลิกแปลงแต่ส่วนมากชอบปรงอกุศลดูออกก็ยังตรงที่หลงคิดนั้นอกุศลแหละตอนที่หลงคิดคือจิตมีโมหะฟุ้งซ่านเพราะฉนั้นวันๆหนึ่งอกุศลมีมากกุศลมีน้อยใจหลงไปคิดทั้งวันบางคนบอกไม่เห็นมีกิเลสเลยแตจริงๆใจหลงคิดนั่นแหละกิเลส ผิดฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทธัตจัแล้วไงอีกก็ไม่มีแล้วบังคับตัวเองไว้ดูออกไหมตอนนี้<อ>ค่ะโอ้ก็เลิกซะอย่าบังคับมันรู้อย่างที่มันเป็นแล้วที่ภาวนาผ่านมามีอะไรเพิ่มเพิ่มเติมไม่ต้องเพิ่มนะให้รู้ไปอย่าไปข่มไปอา้าวนุชรัตก็จะส่งการบ้านนะคะหลวงอาที่ผ่านมามันทีมมันก็จะรู้ตัวบ่อย ที่ผ่านมาบางทีมันจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้นหรออาแต่บางทีมันสึกมันเหมือนมันจะยิ้มแต่บางช่วงนะคะหลวงอาเะไรอยู่พดิมมันจะยิ้มตลอดนะคะวันนี้ไม่ยิ้มมืวันนี้มัวค่ะเลือกไหมหรือวันนี้เจ๋งนะเปล่าค่ะแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าว่ามันจับลงอะค่ะเออมันดับลงไปผ่าซ่อนแก้วมาหรือเฮ้ยใช่เลยค่ะหลวงอาหลอารู้ได้ยังไงนะคะสายลับเยอะ ใครไปทําอะไรนะสายรับคอยรายงานเอ๊สายลับวันนี้อยู่แถวนี้เหรอคะหลวงอาไม่อยู่อ๋อไม่อยู่แล้วคะคนะ่ะก็อยู่ที่นั่นก็พอดีคนไปเยอะค่ะหลวงอาก็เลยพอนาะต้องแอบอยู่คนเดียวบ้างมันถึงจะดีขึ้นแตบบ่แต่ก่อนนี้เวลาออกไปอย่างเนี้นะเขาเรียกว่ารีกเรนไปรีนี้รวมหมู่กันไปรวมกัน ไ, ได้หกสิบเจ็ดสิบคนไม่จะไปได้อะไรอ่ะ ก็ใช่ค่ะหลวงอาคุยกันคนละประโยคก็หมดชั่วโมงหนึ่งละนั่นต่อค่ะที่ผ่านมะที่ผ่านมานั่นสุ่มว่ามันจะมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะหลวงอามันสุกจิตมันยอมมากขึ้นนะคะแต่ดีที่นั่นภาวนาดีปาวนาง่ายหลวงอาจะไปอีกไหมคะที่นั่นสวยนะคะหลวงอาเอาสวยมาล่อไม่สําเร็จหรอกหลวงพ่อั่นมาชวนเรื่อยลยแต่หลวงพ่อเขต บอกท่านแล้วค่ะว่าให้ปิดวัดเลยค่ะท่านก็บอกเหมือนกันว่าถ้าไปเมื่อไหร่ท่านจะปิดวัดไม่ให้คนเข้าวัดไปแล้วเหนื่อยกว่าเก่าอีกนะอยู่นี่ก็เหนื่อยแล้วแล้วเรา ม, ม, มีหลวงอาเมย์แนะนําเพิ่มเติมไหมคะตอนเนี้จิตไม่เป็นธรรมชาติใช่ค่ะจิตแข็งกระด้านจิตมันง่วงง่วงเหรอคะมันซึมอ่ะจิตมันไม่มีเรี่ยวมีแรง พอมันซึมๆอย่างนี้แล้วเขาพยายามไปข่มมันไปยามไปฝืนมันมันก็เลยยิ่งแข็งหนักกว่าเก่าจริงๆถ้าจิตมันจะซึมมันจะมัวให้สักว่ารู้สักว่าเห็นอย่าไปเกลียดมันถ้าสักวารู้สักว่าเห็นมันจะกระเด็นหูุดอกไปเลยใจก็สบายขึ้นมาอ้าวใครจะคุยต่ออ๋อทีนี้ไวมากเลยไม่ทันเขาเราผู้ชายผู้หญิงไวนะเดี๋ยวเราอาค่ะเดี๋ยวถามคําถามแป๊บหนึ่งอ้ว่าไปนิดถามเราอานิดหนึ่งพอดีมีน้องเขา เขาเคยปรกาศในหลวงอาพรอิญสงสัยนะคะว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าเขาทานเล่าแล้วเขาสามารถภาวนายังยังคลิปออนแท็กได้หรอคะหลวงอาแปลว่าอะไรคือน้องคือมีน้องคนนึงนะคะที่รู้จักคือเขาก็มาฝึกกับหลวงอาใช่ไหมคะแล้วคือเขาทานเลาแล้วนึกก็เตือนเขาว่างไงไม่อยากให้ทานเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาภาวนาแล้วอย่าง <ๆ S 1> เงี้ยค่ะแเาบอกเขามาส่งกรมมารบ้านหลวงอาแล้วเขายังสามารถคลิปออนแท็กได้หมายถึงว่ายังยังภาวนาได้อยู่นกเลยยังสงสัยนะคะหลวงอา วัดทานเหล้าแล้วยังสามารถภาวนาได้เหรอคะไม่ค่อยอยากตอบเลยเรื่องนี้บอกให้มีศีลไม่ใช่บอกให้ไปกินเหล้าแต่ถามว่ากินเหล้าแล้วภาวนาได้ไหมได้เคยเป็นพระรหันต์มาแล้วด้วยสมัยพุทธกาลมีอมตะของพระเจ้าโกสดชื่อศีหามาตเม า, หมาเหล้าอยู่เจดวันวันที่7จนะ็อีหนูแสนสวยของแกตาย แต่ยังอแข้อแอนะขึ้นช้างมาหาพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมเพราะว่ากลุ้มใจีหนูตายฟังธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานมานั้นเลยในขณะที่เจริญสติไม่ได้กินเหล้าเข้าใจไหมเราต้องแบ่งชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆในขณะที่ไปทําบาปอาคุสนะจะต้องรับผลของอาคุสนะอย่านึกว่าภาวนาแล้วจะพ้นจากผลของอกุศลได้นะ วดรเรื่องกันนะดีกับชั่วไม่ล้างกันเพราะนั้นช่วงที่ไปกินเหล้านั้นสะ ส, สมอกุศลไว้แต่ว่าช่วงที่ไม่ได้กินเหล้ามาจเจริญสตินี่สะสมกุศลไว้ปวดะเรื่องกันบรรู้ได้นะแต่ว่าลําบากมากเลยเคยมีลูกศิษย์หลวงพ่อองค์หนึ่งเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนนะกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็ไปเล่นหัวโตกลองยาวอะไรเงี้ยปู่ย่าตายายเตือนก็ไม่ฟงัง ชาติก่อนๆภาวนามาตลอดเลยนะชาตินั้นไปคบคนไม่ดีเขาไปกินเหล้าเมายาพอภาวนามาถึงชาตินี้นะโมหะเยอะเห็นไหมพเพราะเหล้าเป็นตัวทําลายสติอคูศนส่งผลมานะโมหะมากภาวนายากกว่าเพื่อนเลยไปหาหลวงพ่อที่สาราลุงชิ น, นไปพร้อมคนอื่นก็แหละคนอื่นเขาเรียนไปเยอะแล้วหลวงพ่อหันมาเห็นเด็กคนนี้จะถามไม่สบายเปล่าเป็นบาดที่เป่าทำไมมันซึมกระทืออย่างนั้น กินยามแก้วัตรมาหรือเปล่าแล้วถามอย่างนี้เรื่อยๆม่วงนอนอดนอนมาหรือเปล่าทุกครั้งที่ทักทายอย่าเป็นเรื่องแบบนี้นะอยู่ร่วมปีมันไม่เคยสอนกรรมาฐานได้เลยเพราะสอนไม่ไหวโมหะมากกว่าจะสู้โมหะทะลุออกมาได้นะลําบากแทบตายเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ําต่อสู้ออกมาเห็นไหมตอนสนุกสนานนะแป๊บเดียวนะ โหตอนที่จะแก้มันขึ้นมาปรับตัวให้ดีขึ้นมานะไม่ใช่ง่ายนะงั้นไปบอกเขานะหลูกหลวงพ่อบอกว่าคิดเล่าก็ภาวนาได้แต่ผลของอกุศลก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคนนนยกก่อนอยากทราบว่าที่ทำอยูปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือเปล่าคะหลวงพ่อเกือบเกือบแล้วเสียใจไหมไม่ เออต้องอย่างนี้สิทําไมหลวงพ่อว่าเกือบเกือบเลยไหมเพราะขนาดที่ส่งกันบ้านเนี่ยไม่มีสติลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมใจมันไปอยู่นอกนอกเนี่ยขนาดนี้ใจก็ยังอยู่นอกนอกไม่เข้าฐานมันรู้สึกไหมไม่เข้าที่นะค่ะเป็นเป้นค่ะเออตื่นเต้นให้รู้ไปนะอ่ะส่งมาข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ถัดไปก็คาถามคล้ายกันครับอาจารย์คือว่าตอนนี้ปฏิบัติ เ, เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะใจลอยไปแล้วเมื่อกี้รู้ไหมบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมมากระนดุดเลยเดี๋ยวบังคับนะอย่างบังคับหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้อย่างนี้นะรู้เล่นๆรู้สบายๆไปใจมันยังรวมเข้ามาไม่ถึงฐานมันจริงๆถ้าทําสมถะได้นะทําสมถะจิตจะตั้งมั่นถึงฐานมันเลย แล้วก็ออกมารู้กายออกมารู้ใจอย่างนี้ไปได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้ทําสมาธิเลยหรือเวลาเราไปทําอามิจฉาสมาธิเข้านะทำยากยิ่งมิจฉาสมาธิพวกเพ่งเครื่มเคลื่มหรือเพ่งไว้แข็งแข็งเนี่ยแก้ยากที่สุดเลยคนไม่เคยฝึกอย่างฝึกง่ายกว่าภาวนา ง, ง่ายกว่าเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเออดูไปอย่างนั้นแหละจิตมันมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีติ จิตมันเป็นยังไงรู้ลงไปเห็นไหมปีติไม่ใช่ตัวเราดูออากอย่างเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาท่านนี้ห้าเบอร์สามสิบเก้าเจ้าค่ะก็อยากทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่ทราบว่าเข้าล็อกหรือยังเจ้าค่ะหรอจะเข้าล็อกอะไรเหรอล็อกกลางาค่ะเจ้าค่ะไม่ซ้ายฝาฮ ะ, ะ, ะล็อกตรงกลางค่ะไม่ไปซ้ายฝานนะะตรงกลางเราไม่เอาไว้อยู่นะไม่ได้ไว้ล็อกเราต้องอยู่แบบไม่มีอะไรมาล็อกเราเจ้าค่ะนะ เราอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสบายใจเราแอบไปคิดเราก็คอยรู้เอา ใ, ใจเราเข้าไปเพ่งไว้เราก็คอยรู้เอาอย่างขาดเนี้เพ่งแล้วรู้สึกไหมไม่เอาอย่างนี้ไม่ต้องสนใจการภาวนาที่ถูกอย่าทำสิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองถ้าพยายามจะทำให้ถูกนะมันจะไม่ถูกเลยเพ่าแค่อยากจะปฏิบัติก็ผิดแล้วอยากจะปฏิบัติก็ผิดแล้วกิเลสแทรกแล้ว งั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลหรือจิตเป็นกุศลจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์รู้ไปเรื่อยๆอย่างที่เขาเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วไม่ต้องดีก็ได้แล้วจริตอยากทราบจริตว่าโยามาชอบคิดมากดูจิตไปครับค่ะมาคนนี้ครับก็ผมนะครับก็อยู่เกษตรบางพาร์ทเลยนะครับแต่ผมไม่เคยได้มาสัมผัสกับชีวิตธรรมะเลยครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ไปพักขอพักนะครับที่เอาซีดีแล้วก็นังสือถรรมาให้นะครับก<ม>็ตอนนี้ก็ได้แล้วระยะเวลาสองเดือนแล้วนะครับที่ได้ศึกษามะครับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับที่ได้ค้นพบตอนอายุยี่สิบต้นๆนะครับเล้วดีแล้วเพราะเพราะว่าแปดสิบต้นๆนั้นลบากเพคิดว่าทางสาย น, น่าจะเป็นทางสาธิต ถูกครับอยาเพิ่งเชื่อนะครับเพราะที่สูจนด้วยตัวเองเพราะว่ามันจะรู้ก็คือมันก็รู้เข้ามันเองครับใช่ครับจะนอนตอนนี้คือก็วังคืนก็นอนไม่หลับก็เห็นไม่หมดเลยครับอืบางทีเดินไปเดินมาก็คือเห็นหมดเห็นตัวเองหมดบางทีคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โไมมันมันมันมันจะจะใช้คําว่ามันชั่วนะฮะชั่วมากเห็นเห็นไม่หมดเลยครับอืครับอย่างที่ดีครับใช้ได้เลยนะอย่างนี้สิใช้ได้ ภาวนาแล้วเห็นแต่กิเลสเยอะเลยใช้ได้นะถ้าคนไหนมาบอกหลวงพ่อพอภาวนาแล้วไม่มีกิเลสเล ย, เยอาการหนักนะแสดงว่าไม่เห็นตัวจริงของเราเราร้ายกว่าที่เราคิดไว้เนี่ยใจลอยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับ <c oughs> แต่ตอนนี้คือจะเห็นนะครับว่าสภาวะต่างๆมันมาจะมาครับถ้าวางบางบางบา ง, บางอย่างเนี่ยอย่างเช่น ไอ้โกรธมันจะเริ่มเริ่มแล้วฮะเริ่มนิดๆไปขึ้นตรงเนี้ยนิดๆหรือว่ามันมันมันมันจะแอบไปคิดหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะจะเห็นแบบเหมือนลางๆแต่แต่บางทีเรารู้สึกได้ฮะใช่ใช่ครับถูกต้องครับความโกรธนะก็มีเหตุถึงจะเกิดครับเหตุของความโกรธคือพยาบาทวิตกใจมันคิดกัอนคิดในทางร้ายอ่ะโทสะก็เกิดในเหตุของราคะก็มีกามวิตกคิดถึงเรื่องทางดีๆนะกามก็เกิด อยู่ที่ความคิดของเราอยู่ดีแล้วไงก็คงจะต้องดูกันไปเรื่อยๆครับแต่บางวันก็คือจะเห็นสภาวะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่จะเห็นสิ่งใหม่ๆผุดขึ้นมาทีนิดทีนิดทีนิดเนี่ที่หลวงพ่อบอกว่าดูไปเรื่อยๆนะเราจิตมันจะรู้จักสภาวะมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปสภาวะอะไรไหวตัวขึ้นมาปั๊บนะสติระลึกได้เอง สัง เ, เกตไมมตรงที่สติไปรู้เองนะใจจะโล่งเลยใจจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าตัวเองบางอย่างนี่ชอบปกป้องตัวเองนะวังคําพูดเราไม่รู้ตัวหลังแต่มันเป็นแค่คําพูดที่ไม่น่าไม่น่าจะเก็บคิดเราจะเห็นว่าเออนี่คาพูดนี่น่าจะเหมือนการเป็นการปกป้องตัวเองเนาะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ก็ต้องปกป้องเหมือนกันนะแต่ว่ารู้ทันนะ่ะดีแล้วดีซีดีหลวงพ่อนะฟังเยอะๆนะฟังไป คนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อแล้วฟังซีดีลูกเดียวแล้วตื่นขึ้นมานี้ยอดมากเลยนะเยอะดีใช้ได้อ่ะข้างหลังขอโอกาสถามค่ะคือพอนั่งสมาธิแล้วจะดิ่งอะคะ่ะจะเิยเข้าวัดไหมคนเนี้ยเควัดอะไรหลายสิ่ะไม่ใช่ <c oughs> เห็นไตเติลของเขาเนี่ยคือไตเติลของคนเข้าวัด <c oughs> ขอโอกาส <c oughs> ว่าไง พอนั่งสมาธิแล้วจะจะรู้สึกว่าตัวเองมันดิ่งลงไงค่ะไม่งั้นก็ดิ่งลงดิ่งขึ้นดิ่งอะไรก็ไม่รู้ให้รู้ไปด้วย ใ, ใจที่เป็นกลางไม่ฝืนถ้าฝืนเดี๋ยวปวดหัวพอมันดิ่งเต็มที่แล้วนะมันถอยออกมาให้มีสติตามดูจิตไปเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยแต่ถ้ามันดิ่งมากจนวุ่นวายนะั่งก็เดินจงกรมเอาเคลื่อนไหวมันจะไม่ได้ดิ่งไปแช่นานๆ แต่ก็ไม่ห้ามมันหรอกนะที่ทําอยู่ใช้ได้โ อ, อกาสครับหลวงพ่อครับคือที่หลวงพ่อบอกว่ายังไม่ตื่นนี่แล้วยังไงถึงเรียกว่าตื่นครับผมไม่ทราบว่าทําจิตยังไงดีครับหลวงพอ่อคือมันพูดยากนะว่าตื่นหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> มันเหมือ น, นถามหลวงพ่อว่าแอปเปิ้ลรสชาติเป็นยังไงอ่ะเคยมไ้มที่กําลังเผลอๆอยู่แล้วรู้ว่าเผลอกําลังใจลอยหนีไปคิดเรารู้ว่ามีไปคิดแล้ว หรือว่าเลอไปคิดละมันจะมีภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นช่วงเล็กนิดเดียวเลยสั้นๆมันจะตื่นขึ้นมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาคนทั่วๆไปนี่มันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจจะไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดในพระไตรปิฎกบอกรู้ว่าวิตกรู้ในวิตกรู้ว่าจิตหนีวิคิดจิตจะตื่นขึ้นในฉับพรันแต่ตื่นสั้นนิดเดียวตื่นครั้งแรกยังดูไม่ออกอ ก็ ต, ตื่นหลายๆทีจึงจำสภาวะได้อย่างตอนเนี้ของคุณสังเกตไหมคุณฟังหลวงพอ่อคุณก็ตั้งใจฟังฟังแล้วคุณก็คิดคุณรู้สึกไหมคุณฟังไปคิดไปเนี่ยภาวะนี้เป็นภาวะที่ไม่ตื่นจิตสงสัยขึ้นแว บ, บหนึ่งเห็นไหมดูทันไหมถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยแต่ท่านมักจะตามหลังครับตามหลั ง, ลงตามหลังลถูกต้องรู้ตามหลังไปเรื่อยๆเขาเรียกการตามรู้ รู้ตามหลังเรื่อยๆแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมไหลแว บ, บไปเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเอาเลยงงไปแล้วทำไมเออ <c oughs> เอาเริ่มต้นใหม่เนี่แล้วเวลา <c oughs> <c oughs> ช่วงที่จิตขุนมวัวอย่างเวลาทํางานแล้วขุ่นมัวก็พยายามดูรครับแต่ก็ <c oughs> ไม่ไม่ได้ดูให้หายขุนนะครับเออถ้าดูให้หายขุนไม่หายหรอกถ้าจิตขุนมวัวรู้ว่าขุ่นมวัวเห็นเลยความขุนมัวเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา จิตคือคนที่ไปรู้ว่าขุ่นมัวจิตไม่เคยขุ่นมัวความขุ่นมัวกับจิตเนี่ยควละอันกันเนี่ยตอนเนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมพยายามจะดูครับนี่นะจงใจนะจงใจนี่ทําไงจะถูกทําไงจะดีนะใจมันปรุงไว้ไทราบจะวางใจยังไงดีควางไม่ได้นะให้รู้ทันที่ผิดนะ่ะรือทันอย่าคิดมากนะคิดมากแล้วยาก เอาง่ายๆเลยตามที่พระพุทธเจ้าบอกจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูรู้ว่าหดหูมีความสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์ฝึกง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องไปทํำยังไงให้ถูกนะไม่ต้องเรียนอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านสอนง่ายๆเองจิตมีกิเลสอะไรก็รู้มันไปเดี๋ยวม่เข้าใจเองเนี่ยแอบไปคิดทราบไหม สังเกตไหมตอนที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราจะลืมกายลืมใจตัวเองในขณะที่เราคิดในขณะที่รู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรานั่งอยู่เราก็ไม่รู้เราพยักยักหน้าเราก็ไม่รู้เห็น ไ, ไหอะไรๆที่เกี่ยวกับตัวเราเราจะไม่รู้จิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายเราก็ไม่รู้เรารู้แต่เรื่องที่คิดอย่างขนาดนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไ ม, ไม่ทราบนะเดี๋ยวค่อยๆทราบไป <laughs> มาวันแรกก็ยากหน่อยรู้สึกไหมจิตขนาดนี้โล่งกว่าตะกี้อันนี้ยดูดูอย่างนี้ไม่ใช่ให้ไปทําอย่างน้อนอทําอย่างนี้ขึ้นมาจิตมันโล่งขึ้นมารู้ว่าโล่งขึ้นมาจิตไม่โล่งเท่าเมื่อกี้แล้วดูออกไหมนิ่ ง, น, งนิ่งขึ้นมาแล้วก็วรู้ว่ามันนิ่งๆเนี่ย น, นั่งดูไปแบบเนี้ยแต่ไม่ดูทั้งวันนะมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยตามดูเอาถ้าไปนั่งเฝ้าไว้ทั้งวันจะเคร่งเครียดทําผิดเนี่ยลืมดูตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหม เป็น ไ, ไหมใจไม่สบายเหมือนเมื่อกี้แล้วรู้สึกไห ม, ไมใจกลับมาสบายแล้วรู้สึกไหมดูอย่างนี้นะมนจะง่ายแต่ก็ไมง่ายง่ายสุดขีดเลยง่ายจนยากเก็เรียกเส้นผมบางภูเขา <c oughs> งั้นคําในสติปัฏฐานนั้ง่ายที่สุดเลยไหมยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้ฟังเราง่ายชะมัดเลยแต่ไม่เห็นมีพลาดรืยะเท่าไหร่เลยใช่ไหมง่ายง่ายนี่แหละมันยาก ถ้าบอกเวลาเดินต้องมีสิบกระบวนท่านะโอยอย่างงีง่ายนะไปหัดเดินมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรคนิพพานจิตตอนนี้เป็นไงล่ะไม่โปร่งเท่าแต่กี้แล้วดูออกไหมคับแคุณดูแค่นี้ก็ได้ใจโล่งๆกับใจไม่โล่งดูไปแค่เนี้ยโล่งมากโล่งน้อยไม่โล่งเนี้ยอย่าไปจงใจดูเมื่อกี้จงใจดูใช้ไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้โล่งแล้วรู้สึกไหมโล่งกว่าแต่กี้แต่ไม่โล่งเท่าทีแรก เห็นไหมมัวมัวไปอีกแล้วพอแอบิชิตดูออกไหมใจเปลี่ยนไปเรื่อยเอเดี๋ยวเบิกบานเดี๋ยวเดี๋ยวซึมซึมเดี๋ยวโล่งเดี๋ยวหนักนั่งดูไปเรื่อยเแต่อย่าจ้องนะอย่านั่งจอง้องอาคนนี้เสื้อสีส้มก็รู้สึกว่ารู้ตามสภาวะได้บ่อยขึ้นนอะคะดีสภาวะอะไรเกิดบ่อยที่สุด อ, อ, ะ อ, อะไรนะรู้สึกหลงไปดูถูกต้องอถูกเป๊ะเลยเห็นไหมภาวนาเป็นนะพูดออกมาเหมือนตำราเย็บเลยโมหะเกิดล่อยที่สุดเลยหลงเพราะราคาโทสะจะเกิดได้ต้องอาศัยโมหะเป็นพื้นฐานเนะี่ยถ้าใจไม่หลงไปนะราคาโทสะไม่มีไม่เกิดเนี่ยตอนนี้หลงอีกแล้วทราบไหมใช้ได้เมื่ใช้ได้เมื่อกี้ใครยกมือทางนี้แวบบๆเอาคนโน้นก่อนแนละ้เมื่อกี้นี้ อย่าบังคับตัวเองนะบังคับเยอะไปคื อ, อตอนนี้พล้กามืก่อนเนี่ยจะคิดถึงคนคนคนหนึ่งตลอดเวลาครับ6ปีมาแล้วมันก็ยังหืงไม่ลงครับติดอะไรนะคิดถึงคนคนหนึ่งครับเหรอเราห้ามไม่ได้หรอกทําแล้วทํายังไงถึงจะลุดให้เรารู้ทันใจของเรานะพอเราคิดถึงถเขาแล้วเราเกิดความสุขเราก็รู้เกิดความทุกข์เราก็รู้นะเราก็คิดไปแหละ คิดไปแล้วใจของเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไปทีคิดไปแล้วใจเราเศร้าขึ้นมารู้ว่าเศร้าะคิดไปแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขคิดไปนั่นแหละเอาการคิดถึงคนเนี้ยมาทํากรรมฐานมาดูใจไม่ต้องเื่อไม่ต้องอ่ะมันอยากคิดเนี่ยให้มันคิดไปพอมันคิดนะแล้วเรามีความสุขขึ้นมาเราก็รู้ทันรู้ทันใจของเราว่ามีความสุขละมาคิดไปแล้วเราเกิดเศร้าใจนะรู้ว่าเศร้าใจคิดไปได้แล้วก็ดูใจของเราไป ถึงวันหนึ่งจิตใจเราจะเป็นอิสระเราจะกลับมาอยู่ในโลกของปัจจุบันได้เรายังไม่ไปติดอยู่ในอดีตฝึกน้ำไม่ยากหรอกงั้นมันอยากคิดถึงใครก็ให้มันคิดไปไม่ห้ามหลายคนคิดว่าจะห้ามได้นะคิดเป็นของห้ามไม่ได้ก็ควมันจะคิดถึงอ่ะใครจะมาห้ามกันได้ยิ่งห้ามยิ่งคิดจึงงั้นมันอยากคิดถึงใครก็ให้มันคิดไป แต่คิดแล้วใจของเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้คิดแล้วเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาเราก็คอยรู้เอาเป็นการฝึกดูจิตดูใจของเราถึงวันหนึ่งเราก็จะพ้นจากภาวะที่ทรมานนี้ไปเบอร์สามสิบเดี๋ยว น, าน้าต้องเข้าคิวไว้ก่อนครับเบอร์สามสิบครับหลงพ่อครับเคยตามดูอารมณ์มาครับ แต่ว่าตัวเองเนี่ยพอตามดูแล้วจะกลายเป็นเพ่งก็เลยหันมาเปลี่ยนวิธีเป็นรู้ว่าเผลอ อ, อครับพ อ, พอใช้วิธีรู้ว่าเผลอก็รู้สึกว่าดีขึ้นการเพ่งก็น้อยลงดีใช้ได้แล้วก็แต่มันทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเห็นแต่จิตเคลื่อนไหวทั้งวันนะครับเลยไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกแล้วดีแล้วแค่นั้นก็พอละใช้ได้ทังหลัง ยกมือไวมากเลยตัวนี้ผมขอให้ญาตถามหลวงพ่อครับตอนนี้ถึงเต็มคือผมเพิ่งเริ่มศึกษาครับก็ได้พี่แจ็คแนะนําทํางานอยู่ที่เดียวพี่แจค็คแล้วก็เพิ่งเริ่มสนใจก็อ่านหนังสือมาบ้างดูมาบ้างคือตอนนี้ผมสงสัยว่าตื่นเนะครับจะดูยังไงว่าเราตื่นครับหลวงพ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาผมตามรู้แลนะพอผมรู้ปุ๊บบางครั้งผมก็รู้สึกเบาแต่บางครั้งผมก็ไม่รู้สึกโลง่งไม่รู้สึกสบายยังยังรู้สึกเหมือนเดิมมันมันยังไม่เบาขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมคิดหรือว่า หรืว่ารู้จริงที่รู้นี่ถูกหรือเปล่าครับรู้ถูกแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วเวลาที่จิตเราไปรู้สภาวะนั้นโดยไม่จงใจจะรู้ว่าจิตมันจะตื่นขึ้นมาแว บ, บหนึ่งจะโลง่ลงๆเบาๆสบายนะปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นมาแต่พอเราไปจําสภาวะว่ารู้แล้วต้องโล่งขึ้นมาได้เนี่ยเราก็เลยอยากจะโลง่งพออยากจะโล่งไปดูนะเราดูเมื่อไหร่จะโล่งสักทีเลยไม่โล่งเลยนั้นบางทีก็เลยตื่นบางทีก็เลยไม่ตื่น ถ้าเมื่อไหร่กิเลสแทรกความจงใจแทรกนะก็ไม่ตื่นเมื่อไหร่ไม่ได้เจตนานะก็ตื่นขึ้นมาที่ทำอยู่ใช้ได้แจกรุษิ์แจกเก่งอาจารย์เก่งนะอา้าวแจก ช, ชงกันบ้างเดี๋ยวนะคุณผู้หญิงนะา ต, ต้องต่อจากคุณนี้อีกทีกราบน้ัรสการหลวงพ่อครับวันนะี้ก็พาเพื่อนๆตำรวจนะครับ ด, ดีนะตำรวจมีท่านรองผู้การนั่งอยู่ด้านโน้นด้วยครับ มาด้วยนะครับไหนเนาะครับก็ในส่วนตัวนะครับหลวงพ่อครับก็คือจิตเวลาที่มันออกไปเจอกับสภาวะนะครับคือจังหวะที่ออกไปรับสภาวะเนี่ยอมันจะออกไปเต็มตัวตอนที่รู้อนะครับออกไปเต็มตัวหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการแทรกแซงขึ้นว่าออกไปแล้วเนี่ยมันเกิด สุขหรือทุขกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอเกิดสุขกับทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นปั๊บพอเรารู้ตัวปั๊บมันจะมีการแทรกแซงของใจเนี่ยต่อในทันทีเลยว่าจะทํายังไงเวลามันทุกข์เนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อให้มันดีขึ้นพอรู้ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยอ่าการแทรกแซงเริ่มลดลงครับ<ว><น>เริ่มลดลงก็เมื่อเริ่มลดลงปั๊บเนี่ยใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ออกไม่ออกไปด้วยตัวเขาเองโดยที<ว>่<น>เราไม่ได้บังคับเขา<ว><น>เขาก็จะไม่ค่อยออกไปเอง ตอนนี้เนี่ยพอดูในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เร็วมากเร็วมากเลยครับอ ค, ครับดีแล้วครับทำดีนะภาวนาได้ดีแนละ้วคุณผู้ชายนี้เบอร์ิเแต่เดิมผมเคยหาหนังสือแล้วก็ฝึกสมาธินะครับเป็นลักณของอานาพนสติแต่ก็เหมือนไม่ไปไหนครับหลังจากที่มา ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วในเรื่องของตามรู้จิตก็ลองฝึกลองฝึกดูก็ในความรู้สึกก็บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีไม่ทราบว่าผมมาถูกทางไหมก็ต้องอย่างนั้นแหละ ถ, ถ้าดีถาวรสุขถาวร น, นะมันก็ไม่ใช่ของจริงนะเราจะดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งลปัญญามันเกิดว่าจริงๆเราบังคับมันไม่ได้หรอกของคุณมันยังติดการบังคับไว้นิดนึง ครับครับมันยังข่มตัวเองอยู่นิดนึงอาจจะเพราะว่าตอนมาคุยกับหลวงพ่อก็ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเราฝึกอนาพนสตินะแล้วเราก็ดูจิตไปด้วยก็ได้ครับเราก็หายใจนะหายใจออกก่อนนะครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยพอใจเราแอบหนีแวบไปเรารู้ทันว่าใจมันหนีไปลนะ้วครับนะ จ, จิตใจมีความสุขรู้ว่าสุขมีปีติรู้ว่ามีปิติจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้น จิตไหลเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งลมหายใจเราหายใจเป็นแบ็กกราวไว้ยืนพื้นไหมแล้วก็รู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝึกอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้กลั บ, บ, บนบมัสการเจ้าค่ะหลวงพอ่อหนูตื่นเต้นที่หลวงพ่อหนูมากราบครั้งที่แล้วนะคะหลวงพ่อบอกให้หนูเนี่ยไปกวาด บ, บ้านถูบ้านแล้วก็ตามดูใช่ไหมคะ หนูก็ไปฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ทําความสะอาดบ้านอฟังบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองเผลอเจ้าค่ะเออดีค่ ะ, อคะพอรู้ว่าเผลอปับมันก็ตัดปุ๊บ<อ>แล้วก็ตอนช่วงขณะตัดเนี่ยมันเบาเอค่ะแล้วก็บางครั้งก็ทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆแบบโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะปล่อยไปตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะแต่หนูไม่ติดเพลงเพราะหนูไม่ชอบสมาธิหาหนูก็เลยแบบไม่นั่งเลยค่ะไม่เคยนั่งปฏิบัติได้แต่ตามดูอย่างเนี้ย ไม่ทราบว่าทําถูกหรือยังดีแล้วดีแล้วดูเรื่อยๆนะแล้วพ่ฟังซีดีแล้ ว, ลนะลวก ว, วาดบ้านไปเรื่อยๆค่ะหนูฟังทั้งวันแล้วก็อยากจะกลับถามหลวงพ่อว่ากรณีที่หนูตามดูเนี่ยพอมันรู้แวบแล้วมันตัดไปแล้วรู้สึกเบาแล้วบางทีรู้สึกเป็นสุข อ, อ่อนอะไรนะระ่านแล้วก็บางครั้งมันก็แวบไปเห็นกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าถูกหรือยังถูกต้องแล้วเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิต ถ้ามันไม่ได้เลือกไม่ได้แล้วค่ะวันนี้ก็เลยอยากมากราบดีทํา<อ>ถู ก, ถกต้องค<ะ>่ะเจ้าค่ะโอ้วันนี้พานายเก่งเก่งเยอะนะนายเก่งเยอะอ้าวจ๋าคนสุดท้ายนูน้นข้างหลังค่ะหลว ง, งพ่อที่ผ่านมาค่ะก็คือเวลาดูจิตนะคะแล้วมันจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนบางครั้งเห็นเป็นแผ่นแข็งๆหรือบางครั้งเห็นเป็นก้อนกลมๆออย่างนี้มันถูกหรือเปล่าคะอันนั้นไม่ใช่จิตหรอก มันเป็นอาการที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาจิตคือคนที่ไปรู้มันเข้าบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งก็เป็นงนี้มีนับนิดท้วนรูปแบบหลากหลายแต่เมื่อเราไปรู้มันแล้วใจเราเป็นกลางไหมให้รู้ทันตัวนี้บางครั้งก็ดูก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าบางครั้งก็คือมันก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆ อ, อ่มันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่อย่าถลําลงไปดูนะดูอยู่ห่างๆดูอยู่ห่างๆเห àng, มือนเราดูอยู่บนตึกเนี้ยแล้วเห็นอะไรอยู่ข้างล่าง อย่าถาลาลงไปดูไว้ที่แผ่นนั้นก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มีสติน่ะแต่ไม่บังคับตัวเองนะที่จ๋าจ๋าขนาดนี้บังคับตัวเองเยอะไปแล้วบางครั้งก็คือเห็นเห็นใจมันเปลี่ยนแบบเหมือนยุบยิบยิบยิบแบบเร็วๆอะค่ะยิ่งรู้ก็ยิ่งเปลี่ยนเร็ ว, ออวก็<ช>ตามไม่ทันถ้าตามไม่ทันให้รู้ภาพรวมลงไปเลยว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่มันเป็น ย, ยิบยิบยิบแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไระไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ว่าคืออะไร ภาวนาแล้วสุดท้ายมันจะเห็นแต่ยิบยับยบยัยยอยู่นะแค่นั้นเองเราจะลึกลงไปลึกลงไปเราเพราะว่าขันห้าเป็นแค่คลื่นคลื่นของสิ่งบางสิ่งนะขันห้าเลยนะทั้งกายทั้งใจเป็นแค่ปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นความไหวกระเพื่อมของคลื่อนอะไรบางอย่างเท่านั้นเองไม่ขันห้าจริงๆไม่มีตัวมีตนอะไรกระทั้งวัตถุนะสติปัญญาอย่างแยกลงไปเป็นแค่ความกระเพื่อมไหวของสิ่งบางสิ่งเท่านั้นะ แล้ ว, ลวตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีแล้วแต่ว่าอย่าตั้งใจเยอะแต่ไม่ขี้เกียจนะไม่ได้บอกว่าให้ขี้เกียจนะจ๋าก็รู้ไปเวลารู้อย่ากระโจนลงไปดูอย่างสบายๆดูไปสบายๆนะเอาหมดเวลาแล้วเลยเวลาแล้วเอาเชิญโยกลับบ้านไปขออนุญาตได้ไหมครับหลวงพ่อไหนๆว่าไปตอนสุดท้ายเอาใครอยากกลับเชิญกลับไปเลยเอรัไป อ้าคนนี้ว่ามาค่ะพอดีเมื่อก่อนหนูเคยปฏิบัติสมถะมาค่ะที่บ้านไรวาค่ะหลักสูตร8วัน7คืนนะค ะ, ะ, ะแล้วก็คือนั่งๆไปนี่เห็นแขนหายไปหมดเลยค่ะคือใสไปหมดแต่เท้าว่ า, วางซ้อนกันเห็นชัดเจนแล้วหนูก็มักจ ะ, ะฝันเห็นเรื่องแปลก แล้วสิ่งที่ฝันก็มักจะเป็นความจริงอย่างเมื่อไม่กี่วันหนูฝันเห็นพญาคุดค่ะซึ่งหนูก็แปลกใจมากแล้วหนูก็เดินทางไปทาบุญที่วัดทรงเมตตาแล้วหนูก็ได้ไปเจอรูปตั้นพญาคุดเหมือนที่หนูเห็นในฝันเป๊ะเลยอะค่ะคือตอนที่เคยถามอาจารย์ที่สอนท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสคือทําให้เราติดยึด หลังจากนั้นหนูกลับมาบ้านหนูก็ตักบาตรตอนเช้าแล้วก็ได้พบหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมอบแผ่นซีดีของหลวงพ่อให้หนูหนูก็นั่งฟังพอหนูนั่งฟังหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าที่เราปฏิบัติมาเป็นการข่มกิเลสจริงๆค่ะแต่ว่าจิตที่ที่อยู่ด้านในอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยได้รู้จิตเลยหนูมาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหนูได้รับหนังสือไป ก็ไปอ่านตามดูจิตก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าอ๋อจิตมันเกิดขึ้นเองจริงๆเราบังคับไม่ได้นั่งรบมาตามองไปตรงนู้นจิตก็เห็นแล้วก็เก็บมาคิดก็รับรู้หมดทุกทุกอย่างทุกขั้นตอนแต่พอหนูอ่านในหนังสือที่บอกว่าให้ดูที่ตัวรู้อีกทีหนึง่งพอหนูดูที่ตัวรู้นั้น มันรู้สึกว่างไปเลยค่ะมันรู้สึกเบาสบายเดี๋ยวตรงนี้ไม่เอานะคือแต่ละคนเนี่ยทําไม่เหมือนกันอย่าไปจงใจดูตัวรู้นะ<อ>ถ้าจงใจดูตัวรู้จะโล่งไปหมดเลยเดี๋ยวไปติดเดี๋ยวไปติดตัวนี้แค่รู้สึกไปใจเป็นสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้แค่นี้ก่อนนะค่ะรู้แล้วทิ้งใช่ไหมคะอะ่มันจะกลายเป็นเป็นสร้างพบที่ว่างๆขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่ Oh. อย่าไปเพ่งตัวผู้รู้นะค่ะดีที่ฝึกอยู่ใช่ได้ครัไม่เดี๋ยวนี้พระบิณฑบาต ท, ท่านพกซีดีลงพ่อไปแจกเลยอาเชิญยมกลับบ้านไป